วันนี้เนื่องในงานทาบุญอายุครบร้อยหนึ่งปีของเจ้าคุณปู่พระอุรมยานโมลีหลวงปู่จันศีจันททีปโปพันษาของหลวงปู่ณนะพันษานี้เป็นพันษาที่แปดบ็ท่านเป็นเจ้าวาดวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีของพวกเรา หลวงปู่ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยพระนุมแล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีมาโดยสม่าเสมอแต่ทีแรกท่านก็เป็นสมณเนอยู่กับครูบาอาจารย์สายพระธุดง์สายหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่อ่อนที่ท่านเคยเล่ า, ลาให้พระลูกพระหลานอย่างหลวงพ่อได้ยินจากนั้นท่านก็ มีความตั้งใจอยากจะไปศึกษาปริยัติธรรมจากนั้นได้กราบลาครูบาอาจารย์ไปเพื่อการศึกษาแต่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นท่านให้คติธรรมกับหลวงปู่มากมายหลายอย่างอย่างที่หลวงปู่มหาปิ่นถ้าพวกเราได้อ่านในประวัติของท่านหลวงปู่มหาปี่ท่านก็บอกกับองค์หลวงปู่ว่า ถ้าจะเรียนก็เรียนให้จริงๆ จ, จะทําการไหนก็ทำการนั่นเหตุจริงๆอันนี้คือครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่านมีแต่ความจริงจังและจริงใจในการประกาศเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่แนะ น, นําแนะแนวให้มีความเข้มแข็งให้มีความอดทนให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานก็ให้เป็นพระกรรมฐาน ในดีที่สุดในเมื่อไ ป, ปรเรียนปริยัติธรรมก็ให้ตั้งอกตั้งใจเรียนปริยัติธรรมให้ดีที่สุดความหมายของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นจากนั้นองค์หลวงปู่ของเราก็ได้ไปศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพจนได้มหาป ร, ริยนสี่ประโยคน์ท่านหลวงพ่อจําไม่ผิดนะจากนั้นท่านก็ออกปฏิบัติที่แรกท่านก่ตุปัตตุเปเหมือนกันเพราะท่านยังเป็นพระหนุ่มท่านก็ มีแนวความคิดมากหลากหลายเหมือนกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านก็ได้กัลยะาณมิตรหรือว่าได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีท่านได้มาเจอหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ได้แสดงธรรมให้ท่านฟังเป็นที่จับใจเป็นที่ประทับใจของท่านอย่างมากท่านให้พิจารณาถึงทําจิตใจให้เป็นสมาธิ ท่านก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาเดินปัญญาจากนั้นองค์หลวงปู่ก็ปฏิบัติตามแนวทำคําสอนของหลวงปู่มัน่นท่านยัางในมาเล่าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังสรุปแล้วก็คือท่านประทับใจในการแนะนําสั่งสอนหลวงปู่มัน่นถึงจะอยู่ด้วยองค์หลวงปู่มัน่นไม่ได้นานแต่ว่าแนวความคิดหรือว่าแนวทางที่องค์หลวงปู่มัน่นชี้นําชี้แนะ หลวงปู่นั้นเป็นที่ประทับใจหลวงปู่ไม่การแนะแนวไม่จำเป็นจะต้องพูดมากถ้าหากว่าพวกเร า, เาผู้ที่ยอมรับเป็นผู้มีปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้จำเป็นจะต้องเทศทั้งวันทั้งคืนถ้าท่านผู้มีปัญญาเสียอย่างท่านแนะนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำอย่าทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะเพียงเท่านั้นละ่ะท่านก็ได้สาเร็จมักสาเร็จผล แต่นิ้ลวงปู่ของเราท่านฟังทำคำสอนของหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ประทับใจอย่างมากจากนั้นท่านก็ได้นำทำคำสอนขององค์หลวงปู่มั่นเป็นแนวทางจากนั้นท่านก็ได้รับตำแหน่งหน้าที่ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคจนได้เป็นหลวงปู่เป็นพระอุรมยาโมอรี ในขณะ น, นี้ท่านก็เป็นรองสมเด็จถ้าว่าอยู่ในกรุงเทพก็คงจะขึ้นเป็นถึงขั้นสมเด็จได้เพราะนเราอยู่ในชนบทก็ได้ขนาดนี้ไปว่าสูงสุดในชนบทเพราะนั้นหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบโดยสม่ำเสมองามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็จุดท้าย เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายขา้าราชธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้มาการาบคารวะของหลวงปู่ในคราวนี้ได้มาถือศีเเลแน่ขําและไปมาทําบุญทำทานได้มาประพฤติปฏิบัติแสดงความเคารพแสดงมุทิตาสักการะในองคหลวงปู่นับว่าเป็นบุญกุศลนับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน การที่เข้ามาในคราวนี้ก็เป็นเพียงสามวันคือวันที่แปดวันที่เกแล้วก็วันที่สิบวันนี้ก็เป็นวันที่9้าแล้วก็วันที่สิบเป็นวันครบครอบอายุร้อยปีขององค์หลวงปู่ต่อไปนี้ก็คงจะเป็นร้อยหนึ่งปีเดี๋ยวนี้พระเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากก็คือมีหลวงปู่จามมหาปุญโย อำเภอคำชะ อ, อีจังหวัดมุกดาหารอันนั้นท่านอายุร้อยสามปีแก่ระองค์หลวงปู่ของเรานะหลวงปู่จามร้อยสามปีถ้าหากว่าวันที่สิบเก้าพฤษภาแปลว่าร้อยสี่ปีองค์หลวงปู่จามแต่รู้สึกว่าง่อมเต็มทนเหมือนกันนะรู้สึกว่าท่านก็ไม่แพ้หลวงปู่ของเราเนี่ยแหละ อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสหายาตโยมทุกทูกท่านได้พวกเราได้พบได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะคณะสหาญาตโยมพวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีต อดีตชาติพวกเราจรึงได้มาพบได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอันนี้นับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมาก่อนอย่างที่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปฏิรูปประเทศสวาโซจักพวกเราเกิดในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่เหมาะสมเป็นประเทศที่ ไม่เดือดร้อนเป็นประเทศที่ไม่อดอยากเป็นประเทศที่สมบูรณ์ด้วยดินฟ้าอากาศไม่ทำร้ายทาลายพวกเราท่านทั้งหลายจนเกินไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเกิดจุ่บางประเทศบางที่กับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอย่างนี้หรือสีนามิอย่างนี้แต่เมืองไทยของเรารู้สึกว่าธรรมชาติเหล่านั้น ค่าหรือว่าทำร้ายทำลายพวกเรามีน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศอันนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีพวกเราเป็นผู้โชคดีได้มาเกิดในปฏิรูประเทสวะโซจะอยู่ในปฏิรูปประเทศปุกเพจก ะ, กะตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทําบุญกุศลไว้ในอดีตคือว่าเวลาเราได้พบพระ อริยะบุคคลเรือกว่าอะไรทบุญศูนทานณจะทานที่ใดก็คงจะตั้งความปรารถนาว่าสาธุเนอร์ข้าพเจ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ขอให้เกิดในประเทศที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้กราบไปไหว้พระพุทธศาสนาให้ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ให้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมพวกเราก็คงจะตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตแต่ว่าปุเพจกะกรตะปุญญตาแต่บัดนี้พวกเราได้มาเจอแล้วทีนี้มาพบมาเจอแล้วแต่พวกเราให้ตั้งใจว่าอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบแต่ว่าพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจ ไม่ได้ให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสตามหลักธรรมคำสอนเราหันหลังให้เราไม่ได้ใส่ใจอันนี้ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านะพวกเราอาจจะหลุดหลุดอาจจะไปเกิดที่ต่ำกว่านี้เผอๆอาจจะไปเกิดพู่นแต่เอาฟริกาที่หัวโตโ ต, โตท้องใหญ่ๆขารีบๆนั่นนะที่พวกเราเห็นนั่นนะอันนี้แปลว่าพวกเรา ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่น ด, ดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากหลวงพ่อว่านะทั้งภพชาติทั้งศางสานาทั้งพระมหากษัตริย์หลวงพ่อเคยพูดว่าบุพการีถ้าพวกเราจะเปรียบเทียบให้เห็นก็คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ของเรา ท่านเลี้ยงดูเรามาพวกเราจะแสดงความกตัญญูต่อองค์ท่านอย่างไรต่อพ่อแม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดบุพภาการีที่สองอก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็เป็นบุพภาการีส่วนหนึ่งแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ให้แนะนำสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแนะแนวแห่งการ ในการประพุทธปฏิบัติให้รู้จักมรรครู้จักผลรู้จักสินสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นบุพการีอีกส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาว่าถ้าจะไล่เลี้ยงให้ถูกต้องบุพการีมีอยู่สี่ส่คืออะไรคือประพุทธในเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น่ยนัคือบุพการีเบื้องตน้นถ้าว่าพวกเราไม่มีพระธรรมคำสอนคือ พวกเราไม่ได้พบได้เจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็คงจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคุณอะไรเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาแต่น่าท่าเราได้ศึกษาในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระองค์นั้นล้วนแล้วเต็นเป็นนิยานิกระทัมเป็นธรรมคาสอนที่ลึกซึ้งมากถ้าพวกเราได้ศึกษา อันนั้นถือว่าเป็นบุพการีเป็นอันดับต้นอันดับแรกเมื่อท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราแล้วต่อมาก็คือพ่อแม่ของเราถ้าว่าพ่อแม่ของเราถ้าเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเราก็เกิดมาก็เหมือนช้างหมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ที่เกิดมาจากพ่อแม่เนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการแนะนําสั่งสอนแต่เมื่อเราได้รับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เราก็ต้อง ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุ ป, ปรกรณ์เราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตายอย่างไรอันนี้ก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยได้มาจากไหนใครเป็นคู่ดูแลทำให้ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุกมาถึงบัดนี้ใครเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติ พวกเราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์พวกเราก็จะรู้ว่าเจ้าฟ้าเจ้าเปรตแต่ละองค์ปกป้องประเทศจนรัชการที่ห้าพวกเราคิดดูซิว่าถ้าว่าพวกเราไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินรัชการที่ห้าเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติชาติไทยของเราคงจะเป็นขี้ข้าหรือเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศไปแล้วอันนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญบารมี ที่ปกป้องประเทศชาติชาติไทยของเราให้พ้นจากปากเหี่ยวปากกาเป็นเอกราชอย่างประเทศรอบร้านของพวกเราคิดดูสิลาวขเขมรเวียดนามอินโดมาเลสิงคโปร์พรมา่าที่รอบประเทศไทยของเราประเทศเหล่านั้นเขาเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศทั้งหมดมีแต่เมืองไทยของเราประเทศเดียวที่เป็นเอกราช อยู่ยงขึ้นมากระทั่งทุกวันนี้พวกเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากอันนี้ก็คือเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีปีชาสามารถปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พร้อมกันพระองค์ก็ได้ปกป้องพระพุทธศาสนาพระมาหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์ได้ทรงพรนวดได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านถือเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานผู้ใด บวชมาในพระพุทธศาสนาไม่กระดะไม่อายเพรอะไรเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาบวช ท, ท่านเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราเพราะนั้นพวกเราไน้นับถือพระพุทธศาสนานับถือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากอีกส่วนหนึ่งจากนั้นพวกเราก็ได้มาพบมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัว หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นสายหลวงปู่มั่นอันนี้ก็นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลูกครูคบาอาจารย์ทุกองคได้เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปกระดูของท่านหรืออธิธฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้ไประจักษ์แก่ตาของเรา ว่าอันนี้คือกระดูกของพระอระหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสผู้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัตะสงสารอีกแล้วอันนี้คืออธิธาตหรือกระดูกของพระอระหันต์เพราะนั้นพวกเราควรจะตายใจได้ควรจะสบายใจได้ที่พวกเราได้พบได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีแต่พวกเราเท่านั้นละ่ะจะจริงจังและจริงใจขนาดไหน ที่เราจะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะหลวงพ่อก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังอีกในหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่าทิศ ท, ทั้งหกทิศ ท, ทั้งหเรียน่าศึกษาเหมือนกันทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาพวกเรามีพ่อมีแม่มารดาบิดาคือทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกเพราะเราเกิดขึ้นมา เรายังไม่รู้เดียงสาภาวะเราเลืมตาขึ้นมาเห็นพ่อเห็นแม่เราก่อนเป็นคนแรกอันนี้เราทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาพวกเราก็ควรจะทําให้ถูกต้อง<ไ>ทิศเบื้องหน้าบิดามารดาเมื่อท่านเลี้ยงเมื่อได้ถือกําเนิดเกิดจากท่านมาแล้วท่านจังเลี้ยงดูเราอีกท่านเลี้ยงดูเรามาเราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไร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 เราได้ทำหน้าที่ที่ดีถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรองวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือคือมารดาบีดามารดาบีดาเป็นพระหานของบุตรธิดาอันนี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อเหมือนกันโอ้ ไม่ใช่เรายกพ่อแม่เขาของเราเทียบเท่ากับพระหันเหรอหลวงพ่อว่าไม่ใช่ท่านไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหันท่านพูดไม่ได้พูดเพียงแค่นั้นพ่อแม่ของเราเป็นพระหันกับทุกคนก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านพูดว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรทิดาเราเป็นบุตรเป็นทิดาเราเกิดมาจากพ่อแม่ท่านใดพ่อแม่ท่านนั่นแหละเป็นพระหันของเรา ท่าไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหานกับทุกขูทุกคนไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องถือว่าพ่อแม่เป็นพระหานของเราเท่านั้นเราที่เบื้องหลังสามีภรรยาปฏิบัติตนอย่างไรกับสามีภรรยาสามีคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรอย่าก้าวไายกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อย่าดูถูกเหยียดหยามกัน อ, อย่าใช้อารมณ์ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นธรรมอย่าดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันละกันให้เคารพสิทธิ์กันให้รู้จักสถานะของตนเองอันนี้แหละคือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ราาารยมีหลายระดับมีตั้งแต่สอนกอไก่ขอไข่จนถึงสอนมักสอนผลให้แก่พวกเรา สอนวิชาอาชีพให้แก่พวกเราอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์คือทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราปฏิบัติตนอย่างไรต่อมิตรสหายถ้าว่าพวกเราปฏิบัติต่อมิตรสหายไม่ถูกอมีแต่เอารักเอาเปรียบต่อหมูต่อเพื่อนและก็ไม่มีกัลยาณมิตรที่ดีอทำมาค้าขายก็มีแต่หักเลี่ยหักเหลี่ยมกันคดโกงกันไม่มีกัลยาณมิตรที่ดี คนคนนั้นบริษัททางร้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเป็นไปได้ย่ะเพราะไม่มีหมู่เพื่อนที่ดีอันนี้ว่าทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําบ่าวคือลูกน้องบริวารถ้าว่าพวกเราทําตนไม่ถูกต้องไม่รู้จักให้ดูแลลูกน้องบริวารของตนเองถ้าว่าลูกน้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมีความจําเป็นอย่างไรพวกเราไม่ได้ใส่ใจ ไม่ให้ความสนใจกับลูกน้องไม่ให้อาหารและรางวันกับลูกน้องลูกน้องก็จะให้ความเคารพนับถือเราได้อย่างไรอันนี้ก็คือทิศเบื้องต่ำเบา่าวทิศเบื้องบนสัมมณพราหมณ์สมณ พ, พราหมณ์อย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเมื่อเข้าไปหาสัมณ พ, พราหมณ์สมณ พ, พราหมณ์ก็จะต้องแนะนําสั่งสอนลูกหลานเนออันนี้คือศีลอันนี้สมาธิอันนี้ปัญญา อันนี้การวางตัวอย่างนี้อย่างนี้นะมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมแต่ถ้าว่าลูกหลานวางตัวไม่ถูกนะลูกหลานจะเดือดร้อนถ้าปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศทั้งหกเลยอันนี้คือสมณพราหมณ์จะเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนแกน่คณะทา ญ, ญาติโยนี่แหละอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านปฏิบัติถูกต่อทิศทั้งหกนี้แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในการเป็นอยู่เราไปอยู่ณนะสถานที่ใด มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหโดยเป็นธรรมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการเป็นอยู่ในการบริหารจัดการในสิ่งรอบด้านและรอบข้างส่วนทางด้านจิตใจทนี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราหนวชกดีที่ได้มาพบมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านพวกเราควรจะวางใจควรจะตายใจกับ แนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอจารย์หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านสอนท่านยกตัวอย่างหรือว่าเคียงขู่ไปกับทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในทรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะมองดูได้ว่า แนวทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นของเราเนี่ยเดินไปแนวเคียงคู่กับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนท่านภาวนาอะไรในวันนั้นอันนี้เราศึกษาเนี่ยเอายกมาเป็นตัวอย่างเป็นกระจกเงาพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนา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 มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าหากว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นมันหลุดได้ง่ายสติของเราเออมันหลงได้ง่ายให้บริกรรมพุทโธสาทับเข้าอีกนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทให้บริกรรมพุทธโ ท, ทนะาารรพุทออรรโ ท, รร ท, โ ท, ท, โทนะ อันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นลิศิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านก็มาแนะนําสั่งสอนทั้งหมดทั้งหลวงปู่ฝันทั้งหลวงปู่ขาวทั้งหลวงปู่เทศทั้งหลวงตามหาบัวแต่หลวงตามหาบัวท่านยังพูดอีกว่าเมื่อท่านเรียนมหาป ร, รียาสามประโยคจบออกมาแล้วท่านก็ภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกคือท่านยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่ามันเสื่อมมันหลุดได้ง่ายมันเสื่อมจากนั้นท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานใหม่ว่าต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะาบริกรรมด้วยหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโถเวลาเดินขาขวาพุทหาขาซ้ายโถขาขวาพุทขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดลานวัดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโถ คือมีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทท่านบอกว่าวันสองวันแรกรู้สึกว่าหนักมากในการบังคับใจให้อยู่กับสตใิให้สติอยู่กับการเคลื่อนไหวของตนเองแต่พอต่อมาวันที่สามวันที่สี่รู้สึกว่าจะเบาเออพอเบาแล้วก็สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละสรุปแล้วคือทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอันดับแรกๆต้องบังคับนะ อนุสัตทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต้องใช้การบังคับเหมือนกับเด็กนะเด็กพวกเราเห็นไหมที่จะไปเรียนหนังสือวันใหม่ๆหมเห็นหมูพวกเพื่อนไปก็อยากจะไปกับหมู่เพื่อนพอวันที่สองพอไปไปเรียนนะ่ะกลับมานะไม่อยากจะไปนะทงอแงไม่อยากจะหนีจากบ้านแต่พ่อแม่ทั้งหลายก็ต้อง ใ, ใช้กุศโลบาย บ, าบับงคับบังเอาอะไรล่อบงัง ไปสงบงังไปนั่งเฝ้าบางังเพื่อจะให้ลูกตัวเองได้เรียนเพราะพ่อแม่เห็นคุณค่าในการเรียนแต่เด็กมันยังไม่เห็นคุณค่าในการศึกษาในการเรียนแต่พอต่อมาที่นี่พอมันติดตรงเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนมันไปเองทีนี้บังคับให้ออกก็ไม่ออกอยากจะเรียนให้จบนี่แหละอันนี้เขาเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายใหม่ๆ อ, อยากจะให้ภาวนาเอาเลย มันเป็นเป็นอย่างนั้นได้ยากนะคณะจัดทายาทโจมนะให้รู้จักวิถีทางเดินของจิตใจของพวกเราเราต้องบังคับตัวเองซะก่อนเป็นอันดับแรกพยายามนั่งให้นานเวลาเรานั่งเราเกลางคืนหรือว่าเวลามีโอกาสหาว่างๆเวลาโอกาสว่างๆเนี่ยไม่มีอะไรในวันนี้บ้างอย่างวันพระ้องพระหรือวันพระเราก็เข้าไปไหว้พระนะ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 เมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบพุทโธธรรมโมสังโฆกราบพระพุทธรูปพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่กราบปลุกปล ก, ปลกสามครั้งไม่ใช่นะกราบพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังคือกราบพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานเพื่อหวังไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้อีกอาจากนั้นเราก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย วิทยุโทรศัพท์โทรทัศท์ปิดไว้ก่อนอย่าให้มีเสียงอะไรรบกวนในขณะนั้นโทรศัพท์พอเราก็ปิดไว้ก่อนมันคงจะไม่ให้ความสุขความล่ำความรวยอะไรหรอกในช่วงนั้นปิดไว้สักหนึ่งสองสามชั่วโมงเป็นไรไปพอเปิดก็เปิดทุกวันทั้งวันอยู่แล้วจากนั้นเราก็ปิดพอปิดแล้วก็นั่งสมาธิเลยนั่งให้นานบังคับให้นาน นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทดลองดูสิข้าไปเจ้าอนดับแรกจะนั่งสักยีสิบนาทีต่อมาสาสิบนาทีต่อมาหนึ่งชั่วโมงต่อมาสักสองสามชั่วโมงดูซิเป็นยังไงแต่ต่อมาจะให้นั่งนาน น, านอนนั่งนานเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าเวลานั่งภาวนานทําไมปวดหลังปวดเอวทําไมปวดเขา่า เ, เวลาเรานั่งดูหนังดูละครนะนั่งฟังลํา่ะ เราทำไมไม่เห็นบน่นพอนั่งประกอบคุณงามความดีนั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะหาทางพ้นทุกเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจทำไมเราจึงไปบน่นนี่แหละอันนี้พวกเราก็ต้องให้ทันกับกิเลส ข, ของตัวเองเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจทธายาตโยมทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนาสั่งสอนพวกเราให้พวกเรา นำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อมั่นใจให้พวกเราเดินตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นนะแต่สายอื่นหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่หลวงพ่อเนี่ยมั่นใจว่าสายหลวงปู่มั่นเป็นสายของพระอริยะคือสายพระหันเพราะอะไรจึงพูดอย่างนั้นพวกเราเห็นไหมวงไหนล่วงลับดับขาดไปพวกเราได้พระราชทานเพลิงหรือประชุมเพลิงท่าน กระดูของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราจะไม่มั่นใจอยู่เหร อ, เ, อ, อเรายังไปเชื่อยอย่างอื่นอยู่เหรอเราไม่มั่นใจเหรอหลวงพ่อวันหน้าจะมั่นใจและตายใจในแถวแนวของหลวงปู่ครูบายอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาพอศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อสมาธิเป็นยังไงจิตใจเมื่อเราทาสมาธิจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเลยเนี่ เมื่อกําหนดภาวนาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตอดีตคือเมื่อวานวันก่อนอนาคตคือยังไม่มาถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันคือกําหนดที่ลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้แหละคือบังคับให้อยู่ที่ลมเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้น ในเมื่อจิตใจของเราไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้คิดไปทางไหนอยู่ที่นั่นใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจจะนิ่งพอจิตใจรวมสงบแล้วพวกเราจะรู้รู้ได้ด้วยตนเองว่าเอออันนี้ใจของเรารวมสงบพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง ท่านอันนั้นคือเป็นวิถีของพุทธะท่านระลึกชาติทุนหลังได้คือน้อมจิตระลึกชาติทุนหลังได้เพราะฉะนั้นไอ้เอกนั้นคือส่วนหนึ่งที่รับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มั่นใจว่าพระพรทองค์ก็บอกว่าปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้อันนี้ก็พวกเราก็มั่นใจว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้นี่แหละปุเพเนวาสานุสติยาน พอถึงเที่ยงคืนจุตูปรปราติยานาสาวพรายใญ่แต่นี้เอาเถอะพวกเราเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ตนเองว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นอันคนละอันกันนะสัทธาญาตโจมนะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถเห็นใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่ นี่แหละเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเราจะรู้ได้ว่าเออร่างกายนีย่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่นมามธรรมคือใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญไม่ตายออไปติดปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัส หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไดบอกกล่าวว่าใจใจผู้รู้ผู้รู้นามธรรมนามธรรมคือตัวนี้เองในหลักธรรมคำสอนที่ท่านตรัสไว้ว่ามโนโปุพังขามาธรรมามโนเสถามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละขอให้พวกเราคณะจต่าญาติโยมทุกๆท่านนะให้ภาวนาว่เาเมื่อภาวนาแล้วพวกเราก็ เอสำหรับฆราวาสญาติโยมนี่ภาวนาไปแล้วได้จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างหลวงปู่มั่นไหมเนี่ยบางคนก็เคยถามเหมือนกันถ้าว่าพวกเราภาวนาเนี่ยพวกเราจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระหัน์ได้ไหมแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธถ้าว่าพวกใดปฏิบัติถึงที่ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันอย่างพิกุณีนางเขมาอย่างนี้ที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนีท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหันจะหมายเป็ น, เ ป, นเป็นโยมและพระเจ้าจุโธธนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหันท่านก็ไม่ได้บวชนะและอย่างสันติมหาอามาท์ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหันทั้งที่ท่านเมาเมาเมาเล่าต่างหาก พอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหัสในพวกเราท่านทั้งหลายก็อยากจะสงสยัยอ้าวทาไมคนเมาเมาอยู่ก็ได้สําเร็จถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกินเหล้าให้เมาซะก่อนแล้วก็มาภาวนาะจะไม่ได้สําเร็จเรยหลวงพ่ออินก็จว่าอย่างนั้นอีกแต่ไม่ใช่นะคณะทศทายาทโจรเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าเล่าประวัติสันตติมหาอามาตให้ฟังนะสันตติมหาอามาต พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะแล้วพระเจ้าปเสนที่โกศล เ, เป็นเมืองใหญ่ทีนี้ปัจจันทชนบทคล้ายๆว่าวหัวเมืองนอกเกิดแข็งข้อขึ้นมาเกิดโจรผู้ร้ายขึ้นมาพระเจ้าปเสนที่โกศลก็เลยบอกให้สันติอมาตไปปราบไปปราบโจรผู้ร้ายพอไปปราบโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายก็ลาบคาบทีนี้ยอม แหมเพราะว่าสันทติมหามาตเป็นคนจริงจังเจกแล้วก็กลับมาพอกลับมาพระเจ้าประเสรที่โกศลก็เออปม ป, นปูนบนําเร็จให้เอาให้สันติมหาอ ม, มาตเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เจ็ดวันฮะสมัยมันไม่ใช่ธรรมดานะปูนบนําเหน็จให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เจ็ดวันส่วนพระายาประเสรินี่ก็ดูอีกมุมหนึ่งแต่นี่ก็ให้แหมสันติมหาอ ม, มาตสวยราชเจ็ดวันพราะเป็น เป็นผู้มีความสามารถไปปราบปราม ป, ปัจจันตชนบทเอาชนะโจรผู้ร้ายที่แข่งข้อขึ้นม า, าชนะได้จากนั้นชันสติมหาอวามาัดมันก็ไม่พ้นวงเวียนกองความกองเกวียนที่ว่าสุรานารีพาสีกิลาวัตแต่รี่เขาหนักไปทางสุราและนารนทีนี้พอได้เป็นปพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดวันเนี่ยก็ นี่แหละดิ่มสุราจนหามลุ่งหามค่ําแล้วก็พร้อมกับพระเจ้าผัสเสนกับพระราชทานนางงามให้อีก เ, อเป็นอคคะเมสีบของสันตติมหาอามาตมาสันตติมหาอมาตก็มีตะเมา่นั่นแหละทั้งสุราทั้งนารีวันนั้นพึงวันที่ 7, เจ็ดพระเจ้าสันตติมหาอมาตก็สนุกสนานอย่างสุดสุดเวี่ยง เน่ยพ่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอายังไงถึงจะมีความสุขเอาอย่างนั้นไงพ่อไปลบมาแล้วนี่ยเมื่อชนะฆ่าศึกมาแล้วพระเจ้าแั่นดินปนบาเหน็จให้แต่ตัวเองต้องการ อ, าอย่างเอายางสุดๆนะตอนนีน้พอวันที่7พระพุทธเจ้ากับพระอนุนเดินไปบินตบาดเพื่อจะเข้าประตูเมืองกรุงสาวัตถีสัน ต, ติมหาอํามาตย์ก็ขี่คอช้าง กับบริวารใส่ชุดพระราชาเต็ ม, มเต็มที่พอเดินมาพระพุทธองค์ก็เดินเพื่อจะเข้าในประตูกุงสวัตถีสันติมหาอามารตอยู่คอช้างไนะอ้ค้าว่าตกแหลมไม่ตกแหลมเ ม, า, มาเมาเหล้าเมาสุรานะพอเห็นพระพุทธเจ้ายังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่นะยังพองงกหั ว, วงั้นแหละยังพองงกหัวแสดงความคารวะพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพในคอช้าง พอจากนั้นก็พระพุทธองค์มองเห็นพระพุทธเจ้าก็ลองเราเยิมแย้มพระโอษนะพอแย้มพระโอษท่นี้พระอนนท์ก็ถามคือตามปกติในถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าจะไม่แย้มพระโอษจะไม่ยิ้มแต่คราวนี also, ้ท่านแย้มพระโอษพระอนนท์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดหนอพระพุทธองค์จึงแย้มพระโอษพระเจ้าข่าด้วยเหตุอันใดพระองค์จึงแย้มพระโอษพระเจ้าข่า พระพุทธองค์บอกว่าอาโนนเห็นไหมสันติตมหามบัตอยู่ในคอช้างนะแต่งตัวเต็มยศแต่งตัวเต็มยศเหมือนกับพระราชาสวยราชแต่วันนี้นะ่ะเขาจะเข้าไปหาเรา เ, เพราะว่าพันยาของเขาเที่ร้องรำทำเพลงจะตายมรณภาพ เ, เขาจะเข้าไปหาเราเมื่อเขาไปหาเราแล้ว เราจะเทศให้เขาฟังเขาจะได้สำเร็จเป็นพระหันอ่แล้วก็จะได้ทิพานในอากาศในวันนี้คือพระพองค์ตัดกับพระอานนท์แต่คาพูดคำนี้นะ่ะได้ยินไปทุกหัวละแห่งเหมือนกับวิทยุอย่างนั้นละ่ะเออพระองค์อยากจะให้ใครได้ยินได้ยินหมดทุกคนแต่นี้คนทั้งหลายเขาก็บอกว่าสมณะโคโดมเลยขนาดสันติมหาอมาตเมาแป้อ ย, อยู่อย่างนี้ จะจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วจะด้วยว่าจะได้แสดงฤทธิ์จะได้จะได้ผ่านบนอากาศโอ้สมณะโค ร, รมโกหกพูดใหญ่ละเกินฮะเอกกลุ่มหนึ่งฮะแต่กลุ่มหนึ่งเขาบอกโอพระพุทธเจ้าพูดหนึ่งไม่มีสองพระพองค์ตรัสยังไงเป็นอย่างนั้นพวกเราควรจะไปดูวันนี้ต้องมีแน่แนเรื่องอย่างนี้เราจะจะดูสันติมหาอมาตย์ละเกินอยากจะดูพระพุทธเจ้า พุทธลีลาของพระพุทธเจ้าเลิวเกินจากนั้นก็พอตกตอนเย็นสันติมห า, ามาตรก็ไปแม่น้ำอาบน้ำเล่นน้ำสนุกสนานพอเสร็จแล้วก็ขึ้นจากแม่น้ำขึ้นมาก็ไปสวนอุทยานพอไปเสืงอุทยานก็ไปตีวงล้อมรอบในสวนอุทยานกำลังเอาเล่ามากกงกันอีกมั้งแต่นี้นาง ที่ได้รับพระราชทธธานมาเนี่ก็ออกไปเต้นลำในกลางบงไงพอเต้นลาได้หน่อยหนึ่งเท่านั้นน่ะนางนก็อดอาหารไม่ได้ทานอาหารเพื่อความจะเป็นเป็นนางที่โดดออกไปเพื่อจะ end, อ่อนแอนว่องไว้แสดงลีลานี่พอในสุดนางนก็เป็นลมที่ไหนคือคงจะหัวใจวายอย่างที่ว่านนางก็เลยหัวใจวายตายในกลางบง พอในตายในกลางวงเทอเนี่ยสันติมหาบาัตรดูตาค้างเลยสีเอา้าไปดูเชฟไปไงเขาไปดูโอยนางตายแล้วฮะนางนีง่ตายแล้วครับผมเหพอสันติอมาดได้ยินว่าภรรยาของตัวเองตายเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเหล้าที่ดื่มมาทั้งเจ็ดวันนะ่ะหายเกลี้ยงไปหมดเลยทีนี้หายเมาเลยไม่รู้หายไปไหนหายเหมาหมดเลยจากนั้นโอ้โอ ความทุกโศกตัวนี้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะบรรเทาความโศกของเรานี้ไปได้จากนั้นก็นึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียว<ม>ก็เออพาเราไปเถอะเราจะไปกราบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ละ่ะจากนั้นก็ขึ้นคอช้างจะเกิดบริวารทั้งหลายกิล้อมลอมไปไปกันนะ่ยไปใส่ชุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสนั่นะเราจะไปเปื้อกผ่านได้ยังไงฮะเพราะยังไม่กลับไปถึงบ้านก็ใส่ชุดนั่นแหะชุดพระราชา ที่ได้พระราชทานเข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์โอ้ยข้าพระองค์โศกเศร้ามีความทุกข์เหลือเกินเพราะว่าเมียของกระผมนี่ยได้รับพระราชทานมาเพิ่งแต่งงานเนี่ยก็มาตายเสียแล้วเพราะฉะนั้นข้ากระผมเองมีความทุกข์เหลือเกินขอพระองค์จงโปรดเมตตาทั ง, งับความโศกของข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้คือสันตติมหาอมามัด ดาบถูดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าสันติเธอน้ําตาหลั่งไหลกับนี่แหละกับผู้หญิงคนเนี้ที่ตายไปนี่แหะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบควาน้ํามหาสมุทรถ้ามันไม่แห้งนะน้าตาของเธอไหลยอยู่เนี่ยถ้ามันไม่แห้งเนะียมันมากกว่าน้ํามหาสมุทรทะเลนะสันติเธอเวียนไหวตายเกิดนี่แหะที่ร้องหยงร้องไห้กับคนที่รักที่ตายไปอย่างเนี้ย เคยเป็นมาแล้วทีนี้ก็โอ้ไม่ใช่ธรรมดาสันทติมหาบาตท่านก็ฟังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมให้ฟังจบสี่บาทพระคาถานะันทติอามาตได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์พอสำเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วทีนี้ก็โอ้ข้าพระองค์ขอดูชีวิตของตนเองมองดูชีวิตของตัวเองโอ้ข้าพระองค์เนี่ยคงชีวิตกบคงไม่นาน กับผมขอลาตายพระเจ้าข่าพระพระพุทธองค์บอกว่าเออสัน ต, ติอมาตคนทั้งหลายยังข้องใจสงสัยว่าเธอเดีได้สำเร็จเป็นพระหรันหรือไม่เพราะเราได้ประกาศไปแล้วเมื่อเช้านี่เพราะนั้นเธอคงประกาศบุพกรรมท้องเธอก่อนนะใครข้าวบอกเธอทำกรรมอันไหนไว้ในอดีตจึงได้มาถึงจุดนี้ประกาศให้คนทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแมวแห่งการศึกษารับผม แต่จะประกาศบนดินนะต้องเหาะขึ้นบนอากาศซะ ก, ก่อนจึงประกาศนะสันติอามาตครับผมจากนั้นสันติมหาอามาัดก็กราบพระพุทธเจ้าก็ถอยออกไปพอถอยออกไปก็เหาะขึ้นไปสูงเท่าต้นลำตาลหนึ่งแล้วลงมากราบพระพุทธเจ้าพอเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นไปถึงเจ็ดชั่วลำตาลแล้วไปนั่งอยู่บนอากาศจากนั้นประกาศธรรมท่นี้พระพุทธเจ้าข่า บุพกรรมของข้าพระองค์ในอดีตชาติข้าพระองค์เป็นคนอยู่ที่เมืองอาจากนี้ไปนับจากวันนี้ไปถอยหลังเก้าสิบเอ็ดกับยุคสมัยนั้นชื่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วพ่อของพระบิดาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีอยู่ในเมืองปทุมมวดีอ่านว่าันนะ แต่ในขาพระองค์ดูตัวเองว่าเออเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเนี่ยเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นข้าพรเจ้าจะทําอันไหนที่ดีที่สุดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะในฐานะของข้าพรเจ้าก็พอมีอยู่มีกินเอาเถอะข้าพรเจ้าจะประกาศให้คนทําบุญนะจากนั้นชายคนนี้ก็เดินไปแล้วพี่น้องลูกหลานคณะสัตยาติยมเนาะ เย็นวันนี้เป็นวันพระนะ้าไปฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้านะ้าตอนเช้าพระพุทธเจ้าจะไปเจด็จไปที่โน่นที่นี่ตักบาเนะ้าทำบุญเนะ้าให้ทานนะ้าให้มีศีลห้านะ้าอย่าไปทําความชั่วเนะ้าอันนี้คือบุรุษนั้นมีหน้าที่เปล่าประกาศใครจะฟังหรือไม่ฟังก็สุดแท้แต่มีหน้าที่เปล่าประกาศตลอดแต่นี้พอต่อมาพ่อของพระบิดาของพระพุทธเจ้า วิปัสสีท่านก็เห็นได้ยินเสียงเอ๊ะไอหนุ่มคนนั้นมันประกาศเรื่องอะไรเรียกมันมาหาใช่ตอนนี้นก็เราไปหาเออเธอเธอเธอทําอะไรแต่ทางบุรุษนี้ก็บอกว่าข้าพระองค์ประกาศให้คนทําคุณงามความดีโอเธอทํำยังไงเดินไปก็พบเดินไปเออเอาเราจะให้มา้ า, มาให้หาม้าให้ตัวหนึ่งใส่พวงมาลัยคล้องคอใช่ไหมกับประกาศเลยได้มา้าตัวหนึ่งเล จะไปที่ไหนก็ไปนะ่ยประกาศพอต่อมาได้ยินอีกเอามันยังประกาศอยู่แล้วไง เ, เธอทําอะไรผมขี่ม้าไปครับโอ้ม้าเนี่ยมันยังนั่งอยู่เอาขึ้นรถมา้ารถม้าสี่ตัวขึ้นประกาศพอต่อมาอีกเธอจะเป็นทำยังไงขึ้นรถม้าไปครับเออเอามันยังไม่สมควรเอารถเอาช้างไปทีนี่นี่แหละกันตติอมาตย์ก็เลยขึ้นคอช้างไปประกาศทําให้คนทําบุญทําทาน ด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าในภพนั้นชาตินัน้นผิวของข้าพเจ้ามีกลิ่นหอมเหมือนกับไม้จันหอมและก็ปากของข้าพเจ้ามีกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกบัวออกมาจากปากของข้าพเจ้าในภพนั้นชาตินั้นข้าพเจ้าได้ทำบุญในชาตินั้นมากที่สุดที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาเพราะนั้นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทามานั้นติดภพติดชาติมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าด้ทาคุณงามความดี เพิ่มเติมอีกมากมายหลายหลายอย่างแต่มาพบนี้ชาตินี้เห็นไหมขนาดท่านจะได้มักได้ผลอยู่แล้วอกีบเมฆหมอกจะมาปิดบังจนท่านได้เมาเออเมาจะจนไม่มีอะไรที่จะดีอจนลืมหลงบัวเมาแต่ถาาว่าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันแต่นี่จันท ต, ติมหาอามาตย์เป็นผู้โชคดีอย่างมากาท่าน เมื่อหายเมื่อเมาถึงขนาดนั้นแล้วท่านจังลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงทำให้ฝังจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอระหันต์จากนั้นพอได้ประ ก, กาศทําให้แก่พี่น้องประชาชนกล่าวโทนพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้รับทราบแล้วท่านบอกกับผมขอปรินิพานลาปรินิพานพระเจ้าค่ะ พระพุธโอเวเออไปตามการอันควรเถอะนะสันทติอมาตจากนั้นสันทติอมาตก็เพ่งเตโชกับวายโยเตโชคือไฟวายโยก็คือลมเพ่งลมและเพ่งไฟพจากนั้นสันทติอมาดก็เหาะขึ้นบนอากาศเลยเสด็จเหมือนกับบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสอย่างกันอ่ะมันไหม้กอดกอดกอดกอดกอดขึ้นไปหายเงเียบไปจากนั้นก็เห็นแต่กระดูก่ตะกั่วตกลงมาพระพุทธเจ้าก็ครี่ ه, ผ้าขาวรองรับจากนั้นกระดูกของสันตติมาหาอามาัดก็ตกมาลงในผ้าขาวพระพุทธองค์ก็มอบให้แก่ ه, พุทธบริษัทว่านี่นะเอากระดูกนี้ไปสร้างเจดีย์ไว้ในทางสีเพ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้สักการะบูชาอันนี้คือกระดูกของพระรหันถ้าผู้ใดได้กราบได้ไหว้กระดูกพระหรัน จะติดพบติดชาติไปในพบภูมิต่างๆจะเป็นบุญกุศลมากมายเพราะนั้นกระดูกนีคือกระดูกของพระอรหันต์เอาไปไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้คนได้กราบได้ไวาเคารพสักการะบูชาเนี่ยนี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์ท่านจะไม่ให้เอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาเนี่ย ที่ทูลก็หม่อมควาหญิงมาถแถลงข่าวที่วัดป่าบ้านตาดว่าจะต้องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแน่จะสร้างเจดีย์แน่อยังแน่แหละอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อบรรจุพระธาตุขององค์หลวงตาที่พระอบทองคําจากนั้นพวกเราก็จะได้กราบได้ไวาทเคารพสักการะบูชาพระองค์หลวงตาเป็นผู้มีกุญูปการต่อชาติต่อประเทศต่อโลกอย่างมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น S <S <an> เห็นไหมหลวงตาทำอะไรช่วยเหลือชุมชนโรงพยาบาลโรงเรียนจนหาทองคำเข้าคลังหลวงถึง13ตันดอลล่าอีก10ล้าน2แสนกว่าดอลล่าถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาทุกวันนี้เกือบจะเข้าเป็น 40,000 40,000 40ล้านนะมากมายนั่นะคุณปรปการทางด้านวัตถุทางด้านนมามธรรมแล้วหลวงตาได้ช่วยประเทศชาติบ้านเมือง ได้แนะนําสั่งสอนสิทธิอุสิทธิสิ่งเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นอย่างนี้นะถ้าพวกเราได้ฟังแนวทางคาสอนขององค์หลวงตาแล้วมีแต่นี่เป็นแต่ทำคําสอนขององค์หลวงตาที่ลึกซึ้งมากนํามาประพุทธปฏิบัติได้เพราะนั้นพวกเราจึงได้รวมกันเพื่อจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตานี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของสันตติมหาอํามาตย์ก็เหมือนกัน เมื่อท่านล่วงลับไปพระพุทธเจ้ า, ย, ายังเอาผ้าเช็ดหน้ารองรับกระดูของอธิธาติของอจัตติมาหาอามาตให้ไปปลูกสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้คนได้กราบได้ไวาสัการบูชาแต่ในพระสงฆ์ทั้งหลายในเมื่อเป็นครวาดเป็นพระหันล่วงลับดับขันอย่างนั้นพระสงฆ์ก็สนทนากันเอเราจะตั้งชื่อว่าเป็นสมณะหรือเป็นพราม เออเราจะตั้งชื่อว่ายังไงคนคนเนี้พระพุทธองค์เสด็จมาพระองค์บ อ, บอกว่าเป็นได้ทั้งหมดจะว่าพราหมณ์ก็ใช่จะว่าสมณะก็ใช่เ อ, อได้ทั้งหมดจะว่าบัณฑิตนักปราชญ์อะไรได้ทั้งหมดคือท่านได้เป็นพระรหานแล้วจะตั้งชื่ออะไรที่สูงสงตั้งชื่อให้ได้ทั้งนั้นนนี่แหละคือให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าว่าคารวะญาติโยมเนี่ย ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะถึงมรรคถึงผลไหมนี่แหละหลวงพ่อยกตัวอย่างให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะนั้นขอให้พวกเรามั่นใจการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเอาจริงจังก็จะได้รับสําเร็จมรรคสาเร็จผลได้แต่ว่าเป็นครวญญาติโยมน่ยจะยากกว่าเพราะว่าเรามีภาระธุรกิจธุระมากอีลงตุงนางมากมายหลายอย่างถ้าเป็นนักพจนักบวชมีหน้าที่ดีโอ คือตั้งอ ก, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่านักพจนักบวชก็จะถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในหลักธรรมวินยัยไม่มีศีลาจา ร, รวัตขี้เกียจบวชเข้ามาแล้วคิดว่าจะได้มรด้ผลเฉลยไม่ใช่นะเหมือนกับคนขี้เกียจไปทําที่เกียจ ท, ทํางานนะั่นแหละจะเป็นเศรษฐีไม่ได้คนที่ขยันทํางานคนที่ขยันทํางานในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกจึงจะร่ํารวยขึ้นมานี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราปฏิบัติถูกตามนําทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตามทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมรรคผล น, นิพพานรอคอยพวกเราอยู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดกล่าวถึงประวัติขององค์หลวงปู่จันทร์ีของพวกเราจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดถึงบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะมี มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้คือบุพการีพวกเราควรจะแสดงความกระตันอยู่กตวเวทิตาจากนั้นก็พูดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาแนวแถวที่หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนเปรียบเทียบเคียงคู่กับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทําคําสอนของพพุทธเจ้า ท่านแนะนาสั่งสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเดินตามแนวแถวนั้นพวกเรามั่นใจว่าพวกเราเดินตามแนวแถวสายของพระหรหันคือสายหลวงปู่มั่นให้มั่นใจเพราะกระดูก ข, ของท่านแต่และองค์เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราได้กราบได้ไหว้เคารพสักการ บ, บูชาล้วนแล้วจะเป็นพระทาตให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้น แล้วก็ลุงพ่อได้พูดว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคราวาสญาติโยมถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะได้มรรคผลนิพพานไหมนี่อันนี้แหละสันตติมาหาอ ม, มาท่านก็เป็นคราวาสยังเป็นขี้เมาอีต่างหากนะท่านก็ยังได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญ ถึงจะไม่พ้นทุกในวัฏสงสารในภพนิชาตินี้แต่พวกเราก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเป็นแนวทางเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนต่อไปในภพภูมิในภพหน้าชาติหน้าการกล่าวธรรมเรศนาหรือว่ากล่าวสัมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัฒน์ีรัตนไตรพระพุทธเจ้า พรธรรมพระสงฆ์บุญบา ร, รมีของหลวงปู่พระอุรมญานโมรีหลวงปู่ใจของเราที่ท่านได้สังสมบา ร, รมีมายาวนานบุญบา ร, รมีของท่านก็ข อ, ขอให้คุ้มครองคณะสัาาตยาิโยมลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองขอให้อยู่เย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันพวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน